บทที่83ทางสายเอกตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ได้นำจดหมายมาให้พระเจริญจดหมายฉบับนั้นจ่าหน้าถึงเจ้าคณะห้า วัดมหาธาตุแต่วงเล็บมุมสองด้านขวาว่ากรุณาส่งต่อพระเจริญที่ตัดธรรมโมพระหนมรู้สึกแปลกใจด้วยว่าก่อนมาได้สั่งญาติโยมทางบ้านแล้วว่าไม่ให้รบ ก, กวนเว้นสิแต่มีเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆจึงค่อยส่งข่าวมาบอกท่านนึกไปถึงโยมยายเป็นลำดับแรกนึกว่าโยมยายเป็นอะไรไป รีบเปิดซองออกอ่านจึงได้รู้ว่าเป็นจดหมายจากโยมพ่อของเนนทองดีเขียนมาแจ้งข่าวเรื่องโยมแม่ป่วยหนะักขอให้กลับบ้านโดยด่วนเนนทองดีเข้ามาเห็นจึงทักขึ้นว่าหนังสือจากโยมพ่อผมเขียนมาบอกว่าโยมแม่ป่วยใช่ไหมครับที่เมื่อคืนผมบอกหลวงพี่ว่าจะได้รับวันนี้ถูกแล้วเขาให้เนนกลับบ้านด่วน และขอให้หลวงพี่พากลับด้วยไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพี่อยู่ปฏิบัติต่อเธอไปส่งผมแค่ท่าเรือก็พอพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกหลวงพี่พาเนนมาก็ต้องพาไปส่งไม่เช่นนั้นโยมพ่อโยมแม่ของเนนจะตำหนิเอาได้หลวงพ่อชอบคงไม่ว่าถ้าเรากราบเรียนท่านถึงความจําเป็นที่ต้องกลับมา หลวงพี่อย่าทำอย่างนั้นเลยครับจะเสียเวลาไปเป ล, ลา่าๆเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับขอให้เชื่อผมสักครั้งและผมจะอธิบายให้โยมพ่อโยมแม่เข้าใจจะไม่ให้ตำหนิหลวงพี่ได้คนเป็นสิทธิพูดถึงผลได้ผลเสียแต่หลวงพี่ห่วงโยมยายขอหลวงพี่กลับไปเยี่ยมโยมยายแล้วค่อยกลับมา จะได้ส่งเนนด้วยแล้วก็จะได้เยี่ยมโยมยายด้วยพระหนุ่มยังยืนยันที่จะกลับผมว่าทางที่ดีหลวงพี่ไปขออนุญาตจากท่านเจ้า ค, คุณอาจารย์ก่อนดีกว่าหากท่านอนุญาตค่อยไปเนนท่องดีหาทางออกให้นั้นหลวงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ท่านถือจดหมายเดินทางไปห้องพระอุดมวิชาญาณกราบเบญจางขปดิดสามครั้ง แล้วจึงเอื้อเอ่ยกระผมจะมาขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปส่งลูกศิษย์กลับบ้านครับโยมแม่เขาป่วยหนะักพูดพร้อมกับส่งจดหมายให้ท่านในท่าประเคนฉันรู้แล้วและเธอก็อยากจะกลับไปเยี่ยมโยมยายของเธอด้วยเอาเถอะฉันอนุญาตแต่ต้องเรียบกลับมาปฏิบัติต่ตอนาอย่าให้ขาดช่วงไปนาน เจ้าคุณอาจารย์พูดโดยไม่ต้องรับจดหมายไปอ่านครับกระผมกราบขอพระคุณที่เมตตาอนุญาตกระผมจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเรือจะออกจากท่าเตียนเวลาตีห้าตามใจแต่วันนี้เธอต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนเนนทองดีขอให้มาพบฉันในตอนหัวค่ำฉันมีบางสิ่งบางอย่างจะแนะนำเขา เพราะเขาไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเหมือนอย่างเธอท่านออกคำสั่งภิกษุวัยเบญจเพศเดินกลับห้องด้วยใจเบิกบานแจ้งให้ลุกสิธิ์ทราบแล้วจึงตั้งต้นปฏิบัติเริ่มด้วยการเดินจงกรมท่านมีเวลาปฏิบัติสามชั่วโมงหลังจากนั้นจึงจะไปรับการสอบอารมณ์ที่ห้องพระมหาหนูพระหนุ่มตั้งใจ ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินและนั่งอย่างละชั่วโมงท่านเริ่มเดินจงกรมระยะที่หนึ่งเดินไปได้สักยี่สินาทีจิตเริ่มฟุ้งซ่านและแลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกโทเอ้ยมาตั้งเดินแล้วยังอยู่แค่เดินระยะที่หนึ่งทำไมอาจารย์เขาถึงไม่ยอมเลื่อนขั้นให้เราสักทีเราอยากจะเดินระยะที่สองเหมือนคนอื่นเข้าบ้าง ที่เนรลูกศิษย์เรามาอยู่แค่สองวันพระได้เลื่อนขึ้นไปเดินระยะที่หกแล้วสงสัยอาจารย์จะลาเอียงท่านเริ่มสรงจิตออกนอกอารมณ์กรรมาฐานแล้วเมื่อไรจะถึงได้ยาน16หอย่างเนรบ้างละ่ะเนรนี่ก็พิลึกนักทมตรียังไม่ได้แต่ทำไมถึงได้ยาน16ก่อนเราก็ไม่รู้เราตั้งใจจะเอามารับใช้แท้แท พาได้มาดีกว่าเราอีกอาจารย์นึกค้อนขอดลูกศิษย์ครั้นรู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่านจึงกําหนดคิดหนอคิดหนอและตั้งต้นเดินใหม่ตั้งอกตั้งใจเดินไปได้สัก25นาทีจิตก็แลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกอีกหรือว่าเรารู้มากเกินไปถ้าเราไม่ได้นักทําโทมาก่อนอาจจะสําเร็จพร้อมเนนก็ได้ พระหนุ่มคิดด้วยจิตเริ่มจะว้าวุ่นท่านชุกคุณอาจารย์บอกว่าเราต้องกลับมาอีกส่วนเน้นไม่ต้องกลับก็แสดงว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวน่ะสิก็ดีเหมือนกันถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะได้วิเวกสำเร็จเร็วก็ได้ครั้นรู้ตัวก็รีบกำหนดคิดหนอคิดหนออีก พอเดินไปได้สักพักก็ฟุ้งซ่านเอกสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึง่งจึงกำหนดนั่งแล้วเปลี่ยนมากำหนดที่พองและยุบอันนิสงข้อหนึ่งใน5ข้อของการเดินจงกรมคือสมาธิย่อมตั้งอยู่ได้นานคลั้นเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งสมาธิจากนั่งจึงตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับการเดิน ดังนั้นการกำหนดพองยุบจึงเป็นไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะจิตซัดสายออกไปหาอารมณ์ภายนอกเกือบตลอดเวลาภิกษุวัยเบญจะเพศถูกนิวร์เข้าครอบงำโดยเฉพาะเจ้านิวร์ที่ชื่อถทีนมิทธะทำให้นั่งหลับส ป, ปงกอยู่ตรงนั้นคงจะหลับไปนานจนเลยเวลาเพราะเนรเข้ามาบอกว่าหลวงพี่ครับ อาจารย์หนูให้ผมมาถามว่าทำไมไม่ไปรับการสอบอารมณ์พระหนุ่มตกใจลืมตาขึ้นถามว่าห้าโมงแล้วรึครับห้าโมงสิบนาทีแล้วอาจารย์ท่านรออยู่ตายจริงหลวงพี่นั่งหลับหลอกรุอนี่ขอบใจที่ปลุกหลวงพี่จะไปที่คณะสลักเดี๋ยวนี้ท่านลุกขึ้นอย่างกระปรี้กระเปร่า โดวยว่าได้งีบค่อนข้างนานระหว่างที่นั่งขณะเดินผ่านคณะต่างๆเพื่อไปคณะสลักก็ได้ยินเสียงสอบอารมณ์ดังมาจากห้องที่เดินผ่านจึงหยุดเดินเกิดความคิดขึ้นว่าเรามองนั่งหลับไม่มีอารมณ์ที่จะส่งไปหาอาจารย์หนูสงสัยถูกดุแน่อย่ากระนั้นเลยเราแอบฟังคนอื่นก็ได้ว่าเขาสอบอารมณ์กันยังไง ตอบอย่างไรจึงจะผ่านยานคิดได้ดังนั้นจึงค่อยๆ ย, ย่องเข้าไปใกล้เพื่อให้ฟังได้ถนัดผู้สอบอารมณ์คืออาจารย์แพงเสียงท่านถามลูกศิษย์ว่าขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับลูกศิษย์ตอบอาจารย์ถามอีกหลายข้อและลูกศิษย์ก็ตอบอย่างกล้องแกล้ว พระเจริญจำได้หมดว่าคำถามคำตอบเป็นอย่างไรได้การละคราวนี้เราจะตอบได้แจ๋วไปเลยอาจารย์จะต้องเลื่อนขั้นให้เราแน่รีบสาวเท้าเดินจนถึงคณะสลักมหาหนูรออยู่ค่อนข้างนานจึงต่อว่าทันทีที่ลูกศิษย์มาถึงมัวทำอะไรอยู่ถึงได้มาช้าผมนั่งเกินเวลาไปหน่อยนึงครับ ต้องขอประทานโทษด้วยพระเจริญตอบหลังจากกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วแสดงว่ายังกําหนดจิตไม่ได้คนที่เขานั่งชํานาญแล้วเขาจะกําหนดจิตรู้ว่าเวลาเท่าไรเพราะก่อนนั่งจะต้องอธิษฐานจิตเสียก่อนว่าจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีพอถึงเวลากําหนดไว้จิตจะรู้เองนี่แสดงว่าเธอไม่ได้กําหนดจิต ก่อนจะนั่งใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ยอมรับที่หลังต้องฝึกใหม่นะอะไรมาอยู่ตั้งเดือนแล้วยังไม่ก้าวหน้าผมไม่มีกำลังใจนี่ครับท่านน่าจะเลื่อนขั้นให้ผมบ้างผมอายเนนทองดีแล้วล่ะครับเขาเป็นลูกศิษย์ยังได้ยานสิบหก่อนผมองค์อายอะไรกันเขาเป็นเด็ก ยังไม่มีอะไรต้องกังวลจิตจิตก็สงบได้เร็วเมื่อสงบปัญญาก็เกิดเธออย่าไปคิดว่าอายเนนไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอายกันแต่คราวนี้ท่านเห็นจะต้องเลื่อนขั้นให้ผมแล้วล่ะครับเพราะคราวนี้ผมเตรียมมาดีคนเป็นลูกศิษย์พูดอย่างมั่นใจ เตรียมยังไงไหนบอกมาซิมีการเตรียมด้วยหรือมหาหนูสงสัยเพราะสภาวะจิตย่อมเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีการตระเตรียมก็กระผมแอบได้ยินเออคือผมรู้สึกว่าวันนี้จะตอบได้ดีกว่าทุกวันนะครับโชคยังดีที่มหาหนูไม่ทันได้ฟังประโยคแรกงั้นก็เริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลา และท่านก็เริ่มตั้งคำถามเพื่อทดสอบพระเจริญผ่านยานที่หนึ่งแล้วหรือยังพองหนอกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันคนละอันครับตอบอย่างคล่องแคล่วกว่าทุกครั้งและก็รู้ว่าที่ท่านไม่ได้เลื่อนขั้นเพราะไปตอบว่าอันเดียวกันต่อไปนี้จะต้องตอบว่าเป็นคนละอันกันทุกครั้งดังนั้นไม่ว่าพระมหาหนูจะถามอะไร พระเจริญจะตอบอย่างนี้ทุกครั้งบางทีถามยังไม่ทันจบท่านก็ตอบออกมาแล้วคนเป็นอาจารย์เห็นผิดสังเกตรู้ได้ทันทีว่าลูกศิษย์เล่นไม่ซื่อก็โกรธจึงต้องกำหนดโกรธนนอะโกรธนอะแล้วก็ถามด้วยเสียงดุๆว่านี่แกไปจำเข้ามาตอบใช่ไหมไปจำคนอื่นมาใช่ไหมท่านเปลี่ยนจากเธอเป็นแกใช่ครับ ผมไปจาห้องน้นมาคนเป็นศิทธิสารภาพพร้อมชี้มือไปทางห้องที่เดินผ่านทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะมันอันตรายมากรู้ไหมอันตรายยังไงครับลูกสิทธิถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆก็แกจะไม่ได้ของจริงน่าซีมันจะไม่เป็นวิปัสนาแต่จะกลายเป็นวิปัสสนึกคือนึกคิดเอาตามใจชอบ ที่หลังอย่าได้ทำเช่นนี้อีกนะท่านยำ้ำตกลงท่านจะไม่เลื่อนขั้นให้เป็นกําลังใจผมบ้างหรือพระหนุ่มถามด้วยหัวใจหดหูหอยเหีียวอย่าว่าแต่เลื่อนขั้นเลยข้าอยากจะลดขั้นแกด้วยซ้ำแต่ที่ไม่ทำเพราะจนใจที่แกไม่มีขั้นที่จะให้ลดถ้อยคำของพระมหาหนู ช่างบาดจิตบาดใจพระหนุ่มยิ่งนะจึงแอบเถียงในใจว่าเธอไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนพรุ่งนี้ผมจะกลับวัดแล้วและจะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าอีกคืนนั้นหลังจากอบรมแนะนาเรื่องการปฏิบัติให้เนนทองดีแล้วเจ้าคุณอาจารย์จึงอนุญาตให้เนนกลับห้องพักและสั่งให้บอกพระเจริญมาพบภิกษุหนุ่ม เข้ามาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดท่านเครียดกับการสอบอารมณ์ตอนเย็นอุตส่าห์ไปแอบฟังอารมณ์คนอื่นมาตอบแต่กลับถูกอาจารย์ว่าอย่างเสียหายท่านตกลงใจแล้วว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกกลับเป็นจางข้าประดิษฐ์แล้วจึงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาใจเย็นๆคุณจเจริญการปฏิบัติทาให้ได้ผลต้องใจเย็น แต่อย่าเย็นใจพระอุดมวิชาญานเอ่ยขึ้นก่อนกระผมไม่เข้าใจที่เจ้าคุณอาจารย์พูดครับใจเย็นแต่อย่าเย็นใจหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าในการปฏิบัติเธอต้องไม่ใจร้อนต้องคอยเป็นคอยไปอย่าไปหวังว่าต้องบรรลุญาณโ น, น, น้นญาณนี้นี่คือที่ฉันบอกว่าต้องใจเย็นเย็น แต่ที่บอกว่าอย่าเย็นใจก็หมายความว่าต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทําความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทํเหยาะเหยาะแยะยอย่างที่เธอทําอยู่เนี่ยที่นี่เข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับพระเจริญตอบอาศัยที่ท่านเคยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีจึงเข้าใจอะไรอะไรได้รวดเร็วเข้าใจก็ดีแล้ว ฉันขอย้าว่าเธอจะต้องกลับมาที่นี่อีกที่คิดว่าจะไม่กลับเพราะโกรธเคืองมหาหนูนั้นน่ะเธอคิดผิดมหาหนูเขาหวังดีต่อเธออย่างจริงใจแต่คำพูดเขาอาจจะรุนแรงไปบ้างเธอก็อย่าไปถือสาเรื่องอะไรไปโกรธเคืองเขาถึงขนาดจะไม่ยอมมาอีกท่านจ้คุณอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับว่าผมจะไม่มาอีก ภิกษุหนุ่มสงสัยเพราะท่านยังไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ใครแม้แต่นายทองดีรู้ได้จากการปฏิบัตินาสิอย่าลืมนาสติปัฏฐานสี่สำคัญมากทำให้ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตหากเธอตั้งใจปฏิบัติต่อไปไม่นานเธอก็จะ รู้เหมือนอย่างที่ชั้นรู้ฟังพระอุดมวิชาญานพูดพระเจริญค่อยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อท่านหายโกรธมหาหนู u, และเห็นด้วยกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าภิกษุรูปนั้นหวังดีต่อท่านอย่างจริงใจ เห็นว่าลูกศิษย์ค่อยมีจิตแช่มชื่นขึ้นเจ้าคุณอาจารย์จึงอธิบายต่อไปว่าในมัชชิมานิกายมูลปันนาธพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่131หน้าที่303มีพุทธวจนะที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของลาวสัตว<ม>์เมื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตระมักมเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก็คือสติปัฏฐานสี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าสติปัฏฐานสี่นั้นมีความสำคัญเพียงใด กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นทางเดียวที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความหลุดพ้นในครั้งพุทธกาลพระสาวกสาวิกาทั้งหลายได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตผลด้วยหนทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เป็นศักยะบุตร ที่จะต้องดําเนินตามรอยบาทของเสด็จพ่อเมื่อได้ตกลงใจมาบวชก็ต้องปฏิบัติมิใช่มานั่งกินนอนกินไปวันๆให้เปลืองเข้าสุขหยาดโยมเขาบางคนบวชมาตั้ง 10, สิบพรรษายังไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่เพราะอุปชาไม่เคยสอนบางทีอุปชาเองก็ยังไม่รู้จักด้วยเหตุนี้ท่านเจ้า ค, คุณพระ พิมนธรรมท่านจึงจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติและตั้งเป็นกฎว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะเป็นอุปชาต้องรู้เรื่องการปฏิบัติแล้วก็สามารถนำไปสอนลูกศิษย์ได้มิใจสักแต่บวชให้เหมือนที่เขาเคยทำทำกันมาที่ฉันพูดมาเนี่ยเธอพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับ และผมก็เห็นได้ ว, ว่าผู้เป็นอุปชาจะต้องสอนเรื่องการปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ได้ตามวัดป้า น, นอกอุปชาส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องการปฏิบัติเลยครับวันบวชก็ให้กรรมฐานลูกศิษย์เกษาโลมานะขาทันตาตัดโจตัดโจทันตาน้ขาโลมาเกษาแล้วก็ไม่เคยสอนต่ออีกเป็นอย่างนี้แทบทุกวัดพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์ของตน อย่าว่าแต่บ้านนอกเลยพระในวัดในเมืองหรือแม้แต่ในบางกอกก็เป็นอย่างนี้พระบางรูปเก่งประยัดจนถึงประโยค9แต่ไม่เคยปฏิบัติเข้าไม่ถึงไตรสิกขาจึงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของศีลสมาธิปัญญาไม่รู้ความเจริญในสติปัฏฐานเขาทำกันอย่างไรรู้แต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไม่รู้ ครั้นพอสึกไปจึงมักจะเอาดีไม่ได้มีบางคนสึกเช้าเมาเย็นก็มีเธอเคยเห็นไหมละ่ะเคยเห็นบ่อยๆครับตอนผมเป็นเด็กคนข้างบ้านผมตอนวันบวชก็ฉลองกันด้วยดื่มเหล้าพอสึกออกมาก็ดื่มเหล้าฉลองกันอีกสึกเช้าเมาเย็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าพอเมาก็เกิดทะเลาะ ก, กัน และทิศศึกใหม่ก็ถูกแทงตายเรียกว่าศึกเช้าเมาเย็นตายกลางคืนพ่อแม่ก็ได้แต่เสียใจผมว่าเหล้าเนี่ยอันตรายมากนะครับคนฆ่ากันตายก็เพราะเหล้าผมเองเคยดื่มครั้งเดียวในชีวิตคือผมเห็นคนเขาชอบดื่มกันนะักก็เลยลองดื่มดู ว, ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรพอรู้แล้วผมก็ไม่เคยดื่มอีกเพราะไม่เห็นอร่อยสักนิด ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงติดเล่ากันงอมแงมทั้งที่หาความอร่อยไม่ได้เลยท่านนึกไปถึงป้าเหรียญและนางสาวจําแลงที่ยมยายให้สมญาว่าลูกนอกคอกและหลานนอกคอกในวันข้างหน้ามเมื่อเธอเป็นอุปชาฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยพยายามแก้ความเชื่อที่ผิ ด, ผด ที่ชาวบ้านเขาประพฤติปฏิบัติกันเป็นต้นว่าดื่มสุราในงานบวชงานทำบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระถิญผภา ป, ป่าเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ได้บุญอะไรเลยเป็นบาปอีกด้วยคงยากครับท่านเจ้คุณอาจารย์เพราะเขาปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีแล้วบางวัดพอรู้ว่าจะมีคนมาทอดกะถินทอดผ้ ป, ป่า สมภารจัดการต้มเล่าไว้ต้อนรับก็ยังมีเรียกว่าสมภารลงมือเองเลยครับท่านต้องการเอาใจญาติโยมเขาจะได้มาทําบุญบ่อยๆพระหน่มเล่ามีอย่างนั้นด้วยหรือพระอุดมวิชญาณารู้สึกสลดใจมีหลายวัดเชียวละครับและผมก็คิดว่าไม่มีใครไปแก้ท่านได้พราะหมายถึงสมภารเหล่านั้น โบราณท่านสอนไว้ว่าทิฏฐิพระมานะครูสมภารบางวัดท่านเป็นพระครูจึงมีทั้งทิฏฐิและมานะแล้วใครจะไปกล้าสอนท่านละครับถ้าเช่นนั้นก็ต้องรอให้ท่านเข้าเมนไปแล้วค่อยสอนคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันนะหน้าที่ของนักบวชนอกจากจะช่วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนแล้ว ยังต้องปกป้องพระศาสนาอีกด้วยขึ้นปล่อยให้เขาเละเทะกันอย่างนี้พระศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉันมั่นใจว่าเธอจะเป็นผู้ทำให้พระศาสนาวัฒนาถาวรสืบไปขอฝากด้วยครับผมขอตั้งปฏิทนทานว่าจะสละแม่ชีวิตเพื่อรักษาพระศาสนาภิกษุ วัยเบญจเพศรับคำหนักแน่นและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องกลับมาเรียนต่อให้จบหลักสูตร